เรื่องอิทธิปาฏิหาริทธิปาฏิหารคืออะไรและแค่ไหนอิทธิปาฏิหารเป็นอภิญญาคือความรู้ความสามารถพิเศษยวดยิ่งอย่างหนึ่งมีชื่อเฉพาะว่าอิทธิวิธิหรืออิทธิวิทาคือการแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆแต่เป็นโลกิยะอภิญญา เป็นอภิญญาระดับโลกีซึ่งผัวพันเกี่ยวเนื่องอยู่ในโลกเป็นวิสัยของปุถุชนยังอยู่ในอำนาจของกิเลสเช่นเดียวกับโลกียะอภิญญาอื่นๆทั้งหลายคือหูทิพตตาทิพตการรู้ใจคนอื่นแล้วระลึกชาติได้โลกียะอภิญญาทั้งห้าอย่างนี้มีคนทำได้ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลไม่เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา คือพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามโลกิยาอภิญยาเหล่านี้ก็เกิดมีได้กูดอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวแท้ของพระพุทธศาสนาและไม่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงพระพุทธศาสนาสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการเกิดของพระพุทธศาสนาและเป็นตัวพระพุทธศาสนาคือความรู้ที่ทาให้ดับกิเลสดับทุกข์ได้ เรียกชื่ออย่างหนึ่งว่าอาสวะขยายานแปลว่ายานที่ทำอาสวะให้สิ้นไปจัดเข้าเป็นอภิญญาข้อสุดท้ายคือข้อที่6เป็นโล ก, กุตระอภิญญาคืออภิญญาระดับโล ก, กุตระซึ่งทำให้มีจิตใจเป็นอิสระปลอดโปร่งผ่องใสพ้นจากอำนาจครอบงำของเรื่องโ ล, โลกหรือสิ่งที่เป็นวิสัยของโลกทำให้ปุถุชน กลายเป็นอริยชนโดยสมบูรณ์โลกิยะอภิญยาทั้งหลายเสื่อมถอยได้แต่โลกุตระอภิญยาไม่กลับกลายได้โลกุตระอภิญยาอย่างเดียวประเสริฐกว่าได้โลกิยะอภิญญาทั้งห้าอย่างรวมกันแต่ถ้าได้โลกุตระอภิญยาโดยได้โลกิยะอภิญยาด้วยก็เป็นคุณสมบัติส่วนพิเศษเสริมให้ดีพร้อมยิ่งขึ้น โลกุตระอภิญญาเท่านั้นเป็นสิ่งจำเป็นสําหรับชีวิตที่ดีงามของมนุษย์ซึ่งทุกคนควรได้ควรถึงส่วนโลกิยะอภิญญาทั้งหลายม่ใช่สิ่งจำเป็นสําหรับชีวิตที่ดีงามเป็นเพียงเครื่องประกอบเสริมคุณสมบัติดังได้กล่าวแล้วในบทก่อน